ในที่นี้จะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันด้วยพระองค์เองว่านี้แหละคือบทสรุปของคำสอนทั้งหมดทั้งสิ้นของตถาคตถ้าได้ยินคานี้คือคำว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะนี้แล้วก็เป็นอันว่าได้ยินได้ฟังทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติในข้อนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทั้งหมด ถ้าได้ผลมาจากข้อนี้ก็คือได้ผลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะมากมายเกินไปจนเราเข้าใจไม่ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตรัสรู้นั้นเท่ากับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงแต่สิ่งที่นำมาสอนให้พวกเธอปฏิบัตินั้นกามือเดียวก็หมายถึงหลักที่ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด โดยความเป็นตัวตนหรือของตนนั่นเองที่ว่าถ้าได้ยินสิ่งนี้เป็นได้ยินทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าทุกเรื่องมันสรุปรวมอยู่ที่นี่เพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่มีเรื่องอื่นนอกจากความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ที่นี้ความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ ในขณะยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละเป็นความทุกข์แล้วในขณะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นในขณะนั้นไม่มีทุกข์การปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นให้เด็ดขาดลงไปเป็นตลอดกาลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นกลับมาอีกเท่านี้ก็พอแล้วไม่มีเรื่องอะไรอีกแล้ว ที่ว่าปฏิบัติในข้อนี้เป็นการปฏิบัติทั้งหมดนั้นหมายความว่าท่านลองคิดดูว่ามีอะไรที่จะเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะในขณะใดที่บุคคลคนหนึ่งจะเป็นในกในขนางออะไรก็ตามมีจิตใจปราศจากความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั้นในขณะนั้นเขามีอะไรบ้างขอให้ลองคิดดูเราไล่ขึ้นไปตั้งแต่สารณาคม แล้วก็ทานแล้วก็ศีลแล้วสมาธิแล้วก็ปัญญามรรคผลนิพพานเป็นลำดับข้อแรกเกี่ยวกับสารณาคมท่านในขณะนั้นเขาเป็นคนเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือว่าเขามีหัวใจว่างจากกิเลสและความทุกข์เป็นอันเดียวกับหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้น ในขณะนั้นเขาได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยที่ไม่ต้องตะโกนว่าพุทธทางสรารนังขจามิเป็นต้นเลยการร้องว่าพุทธทางสรารนังขจามิเป็นต้นนั้นมันเป็นพิธีเป็นแบบเป็นพิธีที่เริ่มต้นด้วยข้างนอกอยังไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จิตใจและท่านในขณะใดคนใดก็ตาม มีจิตใจว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราแม้ในขณะหนึ่งครู่หนึ่งก็ตามอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังนั่งอยู่ที่นี่บัดนี้ถ้าผู้ใดมีจิตใจว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆว่าเราว่าของเราแล้วแล้วว่าจิตใจกำลังว่างเข้าถึงความว่างมีความสะอาดสว่างสงบอยู่เป็นอันเดียวกันกับหัวใจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะฉะนั้นชั่วขณะเวลาที่จิตใจว่างอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีสารณาคมคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลื่อนขึ้นมาถึงการให้ทานการบริจาค ก, การให้การบริจาคนี้ก็หมายความว่าให้ออกไปให้หมดความยึดมั่นถือมั่น ว่าตักูหรือของกูส่วนการทำบุญที่คิดว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาหลายเท่าเช่นทำบุญหน่อยหนึ่งก็ให้ได้วิมาหลังหนึ่งอย่างนี้มันเป็นการค้ากําไรเกินควรไม่ใช่การให้ทานการให้ทานต้องเป็นการบริจาคสละสลัดสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรานั่นแหละออกไปเพราะฉะนั้น ในขณะที่ผู้ใดมีจิตใจว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราในขณะนั้นเรียกว่าบุคคลนั้นได้บริจาคทานถึงที่สุดเพราะว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่มีและจะเอาอะไรมาเหลืออยู่ส่วนของเราก็พลอยหมดไปตามความที่ไม่มีตัวเราและเมื่อหมดความรู้สึกว่ามีตัวเราสิ่งที่เป็นของเราก็สลายตัวลงไปเอง เพราะฉะนั้นในขณะใดที่ผู้ใดมีจิตใจว่างจากตัวตนผู้นั้นได้ชื่อว่าได้บำเพ็ญทานอย่างยิ่งแม้แต่ตัวเราก็บริจาคไปจนหมดสิน้นและพวงของเราเข้าไปด้วยจนหมดสิน้นดังนั้นในขณะที่มีจิตว่างแท้จริงนี้จึงชื่อว่ามีการบำเพ็ญทานถึงที่สุด เลื่อนขึ้นมาถึงเรื่องศีลคนที่มีจิตว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนนั้นเรียกว่าเป็นคนมีศีลที่แท้จริงและเต็มเปี่ยมถึงที่สุดด้วยศีล น, นอกนั้นเป็นศีนลล่มลุกคลุกคลานคือสีลที่ตั้งเจตนาว่าเราจะเว้นอย่างนั้นเราจะเว้นอย่างนี้แล้วก็เว้นไม่ได้ลุ่มลุมดอนดอนอยู่นั่นเอง เพราว่าไม่รู้จักปล่อยวางตัวตนเสก่อนไม่รู้จักปล่อยวางของตอนเสก่อนคือไม่มีความว่างจากตัวตนเสก่อนสีลก็มีขึ้นไม่ได้แม้จะมีก็ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่เป็นอริยกันตศีลคือไม่เป็นสีนชนิดที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าได้เป็นแต่โลกิยาสีนที่ลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่เรื่อยไม่เป็นโลกุตราสริขึ้นมาได้ ถ้าเมื่อใดมีจิตว่างแม้ชั่วขณะหนึ่งวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ตามก็นับว่ามีเศียรทิฏฐ้จริงตลอดเวลาเหล่านั้นเลื่อนขึ้นมาเรื่องสมาธิจิตว่างนั้นเป็นสมาธิอย่างยิ่งเป็นจิตที่ตั้งมั่นอย่างยิ่งสมาธิที่พยายามปลุกปล้าลม้ลมล้มลุกๆ มันก็ยังไม่ใช่สมาธิและยิ่งสมาธิที่มีความมุ่งหมายเป็นอย่างอื่นนอกไปจากเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจคันแล้วล้วนแต่เป็นมิจฉาสมาธิทั้งนั้นท่านต้องทราบไว้ว่ามันมีทั้งมิจฉาสมาธิและสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิในที่นี้เราหมายถึงสัมมาสมาธิถ้าเป็นสมาธิอย่างอื่น ก็เป็นมิจฉาสมาธิไปหมดจิต ท, ที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเท่านั้นที่จะมั่นคงเป็นสมาธิได้อย่างแท้จริงและสมบูรณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตว่างจึงเป็นผู้ที่มีสมาธิยังถูกต้องเลื่อนขึ้นมาถึงเรื่องปัญญา ปัญญายิ่งบ่งชัดว่ารู้ความว่างหรือเข้าถึงความว่างหรือเป็นตัวความว่างนั้นเองก็ตามนั้นเป็นตัวปัญญาอย่างยิ่งเพราะว่าขณะที่มีจิตว่างนั้นเป็นความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งขณะที่เป็นความโง่อย่างยิ่งก็คือขณะที่โมหะหรืออวิชชาเข้ามาครอบงำอยู่แล้วทําให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี้ว่าเป็นตัวตนหรือของตน ลองคิดดูก็จะเห็นได้ง่ายๆชัดแจ้งด้วยตนเองว่าพอสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วมันจะโง่ได้อย่างไรเพราะว่าความโง่มันเพิ่งเข้ามาต่อเมื่อมีอวิชชาลองยึดมั่นว่าเป็นตัวเราว่าของเราขณนะใดที่จิตว่างจากความโง่อย่างนี้เข้าถึงความว่างจากตัวเราว่างจากของเรามันก็ต้องเป็นความรู้หรือเป็นปัญญาเต็มที่ เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเขาจึงพูดว่าความว่างกับปัญญาหรือสติปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่เป็นของสองสิ่งที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสิ่งสิ่งเดียวกันเลยข้อนี้ย่อมหมายความว่าปัญญาที่แท้จริงหรือถึงที่สุดของปัญญานั้นก็คือความว่างนั่นเองคือว่างจากโมหะที่หลงยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง หมายความว่าพอเอาอันนี้ออกไปเสียจิตก็ถึงสภาพเดิมของจิตที่เป็นจิตแท้คือปัญญาหรือสติปัญญาแต่คาว่าจิตอย่างที่กล่าวในที่นี้มีความหมายเฉพาะในเรื่องที่กล่าวนี้เท่านั้นคนอื่นอาจให้ความหมายแก่คาว่าจิตเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ได้เป็นจิตที่เป็นอันเดียวกันกับปัญญาอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่าได้เอาไปปนกันที่พูดว่าจิต8ปดสเกดวงจิตหนึ่งร้อยสเอดวงนั้นไม่ใช่เรื่องนี้ก่อนละเรื่องกันสิ่งที่เราจะเรียกว่าจิตแท้ที่เป็นอันเดียวตัวเดียวกันกับปัญญานั้นเราหมายถึงจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนที่จริงสภาพอันนี้ก็ไม่ควรจะเรียกว่าจิตเลยควรจะเรียกว่าความว่าง แต่โดยเหตุที่มันเป็นสิ่งที่รู้อะไรได้เราจึงเรียกว่าจิตหรือกลับมาเรียกว่าจิตอีกทีหนึ่งนี้มันแล้วแต่พวกไหนจะนิยมพูดอะไรแต่ถ้าจะพูดไปตามที่เป็นจริงหรือตามธรรมชาติจริงๆก็พอจะพูดได้ว่าธรรมชาติเดิมแท้ของจิตก็คือสติปัญญาคือจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้น ในความว่างนั้นเองจึงเป็นปัญญาอยู่โดยสมบูรณ์เลื่อนขึ้นไปถึงมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนั่นแหละคือความว่างในระดับหนึ่งหนึ่งสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงนิพพานที่เรียกว่าปรามะสุ ญ, ญาตาหรือปรมังสุญยังคือว่างอย่างยิ่ง นี่ท่านจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่สารณาคมขึ้นไปแล้วถึงทานแล้วถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาก็ไม่มีอะไรนอกจากความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนและมรรคผลนิพพานก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่เป็นความว่างขั้นเด็ดขาดขั้นที่ถึงที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ได้ฟังข้อนี้คือได้ฟังทั้งหมดแต่ปฏิบัติข้อนี้คือได้ปฏิบัติทั้งหมดและได้รับผลจากข้อนี้คือการได้รับผลทั้งหมดโดยประโยคเพียงประโยคเดียวว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใคร่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามิจงพยายามเก็บขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้ว่า ความหมายของคำว่าความว่างนั้นเป็นอย่างไร